เป็พ่อเสียทุกขาตกรรมนะครับตอนนั้นก็เป็นคดีที่ค่อนข้างคลึกโครงมากลงหน้านหนึ่งไหมลงงน้านหนึ่งอยู่หลายวันครับทุกขัตกรรมมันเนื่องมาจากธุรกิจเงินกู้อะไรอย่างเงี้ยใช่นนะใช่ครับช่วงนั้นก็ถือว่าค่อนข้างรายแรงเอาโหดมากครับครั บ, รบพอคุณพ่อเสียเราเนี่ยเรื่องฐานะการเงินทางบ้านทำยังไงต่อครับคือตอนนั้นเนี่ยคุณพ่อก็เล่นเล่นหุ้นในตลาดซั บ, บด้วยแล้วก็มีที่ดินที่ซื้อขายด้วยแล้วก็มีเงินกู้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 หมดเลยที่เหลือหมดเก็บมาผมขอเปิดตู้เซฟในในธ น, นาคารดูตอนนั้นก็ก็เริ่มสงสัยแล้วว่าเอ๊ะทําไมทาไมคุณแม่เธอแปลกๆผมก็ก็ขอเปิดตู้เซฟขอต่างๆผมไม่ได้ขอเงินคุณแม่บอกมีปัญหากันทศทะเลาะกันไม่้แหละผมขอสองล้านผมก็ตงได้ส่วนเดี๋ยวคุณคุณขอสองล้านหมายว่าคุณจะแยกออกมาหรือคุณแม่มีครอบครัวใหม่เหรอหรือยังไงผมไม่เข้าใจจะแยกออกมาอย่าดูแลตัวเองใช่ทะเลาะกันแล้วแล้วผมก็ไม่ได้แล้วถ้าเราไม่ทําอะไรสักอย่างเนี่ย เราอาจจะแย่ในใ น, ในในตอนนั้นนะฮะที่ผมมองเสร็จผมก็เลยเอ๊ะเอาเงินที่ได้มาเนี่ยมาปล่อยเงินกู้ดีกว่าเราเป็นนักศึกษาใช่แล้วเราก็ไปปล่อยกู้แม่ค้าด้วยใช่คือมันมันจะมีเหมือนมีคนบอกแนะนำต่อว่าเอ๊ยคนนี้สิ อ, อะไรเงี้ย <ผม S 1> เราก็จ ก, กลัวเขาว่าเราจะตามทวงหนี้เขาไม่ไหวอ่ะเทคนิคผมจะบอกว่าอ๋อคุณแม่ให้มาปล่อยถ้าปล่อยให้สองแสนบาทถ้าทางนี้ตรงนะให้ต่อทุกเดือนเนี่ยจะคุยคุณแม่ให้ ให้เป็นสามแสนเป็นสี่แสนมีผู้ใหญ่ดูแลอยู่จริงๆไม่มีเราดูแลเองนะฮะตอนนั้นเราปล่อยเงินกู้ก็ปล่อยมาระยะหนึ่งแล้วเงินมีเงินหลายล้านเลยพอเรามีเงินปุ๊บเราปล่อยต่อแล้วเวลาเขาไม่จ่ายทําไงโนติเข้าไปเลยโนติด้หรอคุณมีทนายด้วยผมพิมพ์เองเลยคือจริงๆอการทําโนติจะทําไม่ยากก็จดหมายนี้จากสํานักงานทนายความชื่อนี้แต่งตั้งตั้งชื่อให้เสร็จสรรเลยให้ชวานิภัยจีเดือน ถ้าไม่ชนะนี้ไพ่ในนจะฟ้องทํามาสักพักสักพักหนึ่งปีสี่ศูนย์มาถึงเงินกู้ผมทั้งหมดอยู่ที่ลูกนี้หมดลูกนี้หมดลูกนี้ไม่มีใจเป็นนี่ใช่แค่หลายตอนนั้นหลายล้านอะหลายล้านช่วงผมเรียนอยู่ตอนตอนปีสองผมก็ในในห้องเรียนก็จะมีรุ่นพี่มีมีมีพี่สาวเพื่อนซึ่งว่างก็จะไปทำาะข้าวกินผมก็จะพาไปด้วยพี่สาวเพื่อนเพื่อนผู้หญิงผมเนี่ยเสร็จแกขาแกขายประกันโดยสัปหนึ่งแกก็บอกโห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 ผมไม่ต้องมาเอามามาแบรไขายนี่เลยกระดาษไม่ต้องอผมคุยเรื่องส่วนตัวกับคุณดูแล้วสามชั่วโมงคุณดูครับเป็นไงครับงานดีครัแต้ก็สัมภาษณ์รายการเนี่ยครับเหนื่อยไหมครับเนี่ยผมเห็นใจครับเนี่ยดูครับแล้วก็คุยไปเรื่อยแล้วต้องดูไป่พูเรื่องของที่คุณดูไม่พูดเด็ดขาดจุดหนึ่งที่คุยไปเรื่อยจะรู้คุณดูชอบอะไรหนึ่งจุดหาให้ได้ว่าคียนั้นคืออะไรหาได้ปุ๊บ อ่าโอเคครับโหชอบมากเมานี่ดีใจไม่เจอพี่ดูจบหนึ่งวันแต <ไป S 2> นรแรกเนี่ยไม่แตะเรื่องขายเลยอยากขายคนจะขายประกันได้ต้องขายใจได้ก่อนออืเมืม่อได้ใจปุ๊บเนี่ยอยากให้ฝากเงินนิดนึงมาช่วยกันนิดนึงคุ้มครองเกิดมีอะไรไปฝากดูแลได้น้อยมากเท่าไหร่ล่ะความเกรงใจมาแล้วคนฟังกูต้องหลายวันความเกรงใจมาแล้วโอเคผมเนี่ยขายประกันเป็นอันดับต้นๆของเอเชียเหรอ <Yeah. S 2> ในช่วงอายุยี่สิบ หมายถึงว่ายอดขายของคุณเนี่ยเมื่อเทียบกับบริษัทนี้ในประเทศนั้นในประเทศนู้นในประเทศนี้ในเอเชียเนี่ยรับรางวัลรับโล่รับเป็นต่างไปไม่หมดเลยช่วงนั้นเนี่ยก็ประกอบกับเก็บเงินกู้ไปด้วยครับโอก็ใส่โซตรนะตอนนั้นอายุสิบเก้าสิแต่ว่านี่มาช่ยววิจัยตอนตอนสี่หนึ่งได้ได้ส่วนหนึ่ได้ส่วนหนึ่ช่วงนั้นเนี่ยือช่วงเก็บเงินกู้ไม่ได้เงินที่ได้เคยได้แต่เดือนสู้อเราได้มาเดือนเท่านี้แล้วก็ปล่อยต่อมันอยู่ได้ท่านีคุณมันเลยเก็บไว้กับตัวใช่เมื่อเงินกู้ไม่ได้ ไม่เงินอ่ะเสร็จเราทํายังไงอ่ะตอนนั้นผมนั่งคิดอยู่ทํายังไงดีก็จากนั้นกู้ก็ไม่ได้ประกันเราก็ไปไม่ค่อยบ่อยผมก็ยังไงดีนะก็ช่วงนั้นเนี่ยก็คิดทํำ mlm เราได้หลัก mlm คอสมัยก่อนเนี่ย mlm มาขายตรงเนขายตรงมาท่านเอ๊ะทยังไงเราไม่เคยฝึกให้เป็นลูกจ้างคล้ายๆขายประกันใช่ไหมใช่ผมก็ไปทํา mlm อีกซึ่งตอนนั้นผมทําก็ก็ไม่ค่อยดี เรต้องบอกก่อนนะบ้านผมมาโดนยึดไอ้ดนดนยึดนี่ไงไล่ออกจากบ้านเลยบ้านดนยึดจะมีที่สุ่นอนก็ยังอยู่ที่เดิมอยากจะฟ้องก็ฟ้องไปอ๋อยังไม่ได้ออกจากบ้านใช่อยากจะฟ้องก็ฟ้องตปแยึดแล้วจะขายทอดตลาดแล้วรถผมจอดที่หน้าบ้านอาบน้ําอยู่ที่เสียงสถานรถผมก็เลยไปดูมีใครก็ไม่รู้ขับรถผมไปเลยขับไปเลยก็ไม่มีรถใช้แล้วช่วงนั้นเนี่ยรางว่าที่บอกคุณแม่ผมมาครับคนเราทุกคนแนวเราสร้างบ้านเนี่ยเฟอร์นิเจอร์ในบ้านต้องมีนะฮะต้องมีผมเองก็ ตกแต่งภายในแต่ว่าลงไปอีกหลายพอสมควรเสร็จผมก็ก็จ้างอินเทเลียมาตกแต่งแล้วผมก็ดูวสเปกมันไม่ได้อะไปเมื่อเราทางบัญชีทางนู้นเนี่ยเก็บเงมาก่อนแล้วก็จ่ายเช็คไปก่อนไปดูเสร็จสเปกไม่ได้วันสุกตอนเย็นเนี่ยเอาตกำลวจมาเลยเช็คเด้งเช็คเด้งมาแจ้งจับตอนสี่โมงเย็นพาไปห้องขังแล้วใช้ผมจ่ายเงินให้เขาเหมือนบีบให้ผมจ่ายอ่ะผมบอกเอ้ยไม่ไม่มีผมอยู่ในห้องขังมันสี่ห้าชั่วโมง S <S อืเมื่ออายุยี่สิบนิดถึงตอนที่มันหนักที่คุณว่าคุณคิดสั้นเนี่ยคือช่วงนั้นเนี่ยคือจู่ตอนไหนที่แบบคือช่วงนี้แหละคะช่วงที่เ<ล>มือมันไม่ไหวแล้วมันคือช่วงเวลาไหนคือช่วงนี้แหละคะ <S 2> <S 2> คือช่วงนี้เนี่ยคือสามสิ่ง <S <S ผมเชื่ออย่างผมเองชอบคิดว่าทําไมคนเราคิดสั้น ห, หนึ่งหนึ่งเนี่ยต้องบอกกันว่าผมพ่อผมเสียเนี่ยทุกๆกวันตอนที่คุณแม่ผมยังดูแลธุรกิจอยู่ผมเนี่ยกลับขับกลับบ้าน ทุกวันกรุงเทพสุพรรณทุกวันแล้วก็นั่งคิดแล้วกลับบ้านเราจะเจอแม่เราไหมเนี่ยคือมันในช่วงฟิลนั้นคือมันช่วงที่แบบไม่มีใครเลยอ่ะจากวันที่เด็กที่ต้องโทรหาพ่อทุกวันว่าวันนี้เรียนเป็นไงบ้างครอบครัวไม่มีใครให้เราใชอบอุ่นใช่เรื่องแม่ก็ไม่ได้คุยกันแล้วนหนึ่งเรื่องเรื่องต่ไอไปก็คือเรื่องการงานครับการงานเราก็อะไรอ่ะ เงินนี้เป็นหมดหลแล<ต>้วเงนมันล้มหมดเลยสา ม, สามคือความรักสามอย่างเนี้ยประดังทำไมในชีวิตเราแต่ผมรู้สึกว่าคือผม่ว่นั่งอยู่ระเบียงเั้นสามถ้าเกิดถ้าเกิดผมโดดร่มไปไงจะตายไหมคุณอยู่คนเดียวและทุกอย่างไม่มีอะไรดีสักอย่างใช่เฉเวลานั้นคุณกําลังคิดว่าโดดเลยดีกว่าจะได้จบจบไปใช่เพราะคนเราไม่ไม่มีความหวังในชีวิตผมคิดช่วงนั้นผมว่า ลองเตี้ยกันแต่ไม่รู้ลองอะไรด้วยไม่รู้ลองดูเพราะรู้ว่ากระโดดไปตอนนั้นเนี่ยมันไม่น่าจะตายชั้นสามเนี่ยถ้ามันไม่ตายเนี่ยใครดูต่อดูองไงต่อแล้วไม่หายอยู่นะแล้วถ้าคุณมั่นใจว่าโดดแล้วตายคุณจะโดดเหรอใช่ถ้าเปลี่ยนเป็นคนเป็นคอนโดชั้นชั้นสิบห้าชั้นเนี่ยคนก็คงไม่อย่างที่ช่วงข่าวช่วงนั้นมีคนโดดถ้าเราตายกันเยอะผม้าใจดี เูาทำยังไงแล้วเพราะเราไม่มีกินเน่ยผมเหลือแตงในตัว ท, ที่ตอนนั้นยังเข้าเหลือแค่ร้อยเดียวครับร้อยเดียวเอร้อยเดียวเจ็ร้อยเดียวจะทำไงมันอยู่ได้สามวันใช่ครับช่วงนั้นเนี่ยเราทําอะไรกินเราก็ไม่รู้ทําอะไรกินผมก็โทรไปขอเงินว่า เ, เนี่ยอาม่าผมขอตั้งค์หน่อยล้วกันดีผมจะไปทำขายขายลูกชิ้ น, นขายอะไรนะรครับคือผมเนี่ยเห็นรถเข็นซาเล้งบาบร์บีวอ่ะเข็นอยู่แล้วผมก็ถามว่าเอ้ยพี่ขายลูกวันเท่าไหร่แกบอกว่า ขายได้วัละพันกว่าบาทพันกว่าาแล้วล้วพี่ทำยังไงอ่ะอ๋อของเฮียของเท่าแก่เท่าแก่มีชายเท่าแก่มีร้อยคันพี่เป็นคนขายก็ตัดที่สี่สิเปอร์ซ็นตัดที่สี่สิบเปอร์เซ็นตุ๊บผมอ๋อถ้าวันละพันกว่าบาทเออเฮียเหลือหกสิบเฮียกำไรวันนึงสักสักสามสักตัดสี่สิบใช่ไหมเ้ลยหกสิเปอร์เซ็นตหกสิเปอร์เซ็0แล้วมีร้อยคันต้องลุกชิ้นรอแน่ๆอก็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 มันต้องเดินเข็มใช่มันไม่ไหวพูดไปด้วยใช่ไหมผมไม่ไปผมก็จะดูดูว่าเทสผลคันแรกเป็นไงบ้างผลมไรบ้างทํามาอยู่มาณสักสาอาทิตย์เป็นไงบ้างเชงไม่สินท่าเลยอ่าแล้วอื่นไงอะพอทำไงตอกว่าลูกชิ้นมันไปต่อไม่ได้ผมก็ไม่นั่งอ่านหนังสือไทยรัฐแวบหนึ่งเอออนุมัติทันทีรับของทันทีของเงินผ่อนผมค่อยลูกนี้ผมเนี่ยโทรซื้อทีวีตู้เย็นขัดดอกเบี้ยปล่อยของเงินผ่อนอ่านี่บอกนี่บอกซื้อทีวีจ่ายเดือนละ ห้าร้บาทใช่กับบริษัทสินเชื่อเมื่อสิบกว่าปีก่อนเพิ่งเพิ่งเข้ามาเพราะนั้นนะฮะเราก็เอ๊ะทำไมสินค้า1นึ่งมบาทมาขายหมื่นสองันบาทขายได้ยังไงเราก็เดินเดินไปหาทำร้านค้าบอกว่าเออเฮียผมขอส่งร้านส่งลูกค้ามาให้เฮียได้ไหมถ้าสินค้าราคาหน้าร้านเนี่ยผมขอบวกเองแต่ส่วนต่างียก็ได้ม่าเดิมใช่ส่วนต่างให้ผมนะอ ผมก็ลองทําผมก็เอาหนังสือพิมพ์ทรัฐลงเหมือนเดิมเรื่องเหมือนเจ้าเดิมที่ทำอ๋อคุณทําตัวเป็นคนนั้นแหละใช่ใช้วิธีลงสื่อเอาใช่ฮะแล้วไงมันก็ลงเพื่อให้คนโทรมาหาเราใช่ผมเนี่ยฝึกผมได้จากการประกันชีวิตสอนผมถ้าเกิดผมบอกสวัสดีครับเออร้านลุงปิทนาสรุปครับมนระยรับใช้ครับครับคุณดิวคุณต้องไปเป็นออฟฟิศใช่ไหมไม่ก็เป็นออฟบ้านผมที่ถูกยึดนั่นแหละแล้วก็โตธรรมดาโทรศัพท์ห้าเครื่อง เราสามาเครื่องรับเองหมดรับเองหมดแต่หมายควาว่าพอรับสายเนี่ยเราเป็นทาเป็นร้านเลยใช่เขาก็จะเอเผมก็เชื่อมั่นแล้วเขาแล้วคุณดูบอกสมมติผมจะทีวีอ๋อทีวีรครับกี่นิ้วดีครับอ่า้าสีิ้าามไม่มีนะัสมนั้นยังไม่มีงโอเคขีเกี้อใ้ทยอ๋อยนิ้วครับบาทครับส่งถึงที่เลยครับต่อเดือนเจ็ดบาท้าถูกถูกเ่ราะไม่คูนไม่คูนไม่รู้บนบ้านอุยชนะครับส่งแจกมาเดี๋ยวนี้พรุ่งนี้ผมส่งของให้เลยครับ ก็เรอเอาดึงได้ดีนีครับไอคนหนึ่งมาโทรศัพท์วุ่นวายลงคอลอมเล็กๆ2คนหนึ่งนิ้วในในสือพิมพ์ใจวันใช่เดี๋ยวนะโทษเราเพิ่งปล่อยกู้แล้วเราไม่ได้เงินคืนเนี่ยครั้งนี้ห่วงนมฮะว่าเขาจะไม่ผอไม่ผ่อนเดือนละ700้ออ่ะเขาไม่ผ่อนเนบบริษัทสินเชื่ออมอนเาอนไงหน้าเราเหมือนเป็นเซลล์ครับเราเราเราเป็นเซลล์หน้าที่เก็บเงินเนียใให้คนอื่นไปวันเราก็ไปเคลียร์กับเฮียทีหนึงเฮียนี่คือร้านใหญ่เลยร้านใหญ่เราต้องคุมร้านเล็กๆเป็นส่งให้ร ลูกสาวแกก็เดินมาพี่พี่เป็นเจ้าของร้านไหนอ่ะลูกเจ้าของร้านไหนหน้าตาดีจังอผมไม่ใช่ที่เป็นเซลและเซลล์ไม่คุยหรอกออ่ะเหมือนเหมือนร่างเกียรติเราเราก็งงเราก็หลบเราก็อึ้งนะอึ้งบอกอะไรเนี่ยอผมก็ไปรอเฮียก็ไม่สนใจก็เดินเข้าไปเฮียเดินเข้ามาบอกว่ามาทำไมยังวุ่นวายอยู่ของยุ่งอยู่ก็มานัดเฮียนี่ครับก็มาเบิกเงินไม่วัางเอาแค่นี้พอละอ้าแล้วเราก็ต้องไปจ่ายลูกน้องเราอ่ะต้องจ่ายค่าโฆษณาเนี่ย มันมีความกดดันนะก็ก็รู้สึกรู้สึกแต่เราก็เข้มแข็งเข้มแข็งเพราะอะไรเพราะตื่มามันได้เงินผมทางานอย่างเงี้เนี่ยเช้ามาตื่นมาสวัสดีครับวมันยังมองเห็นลู่ทางใช่มันยังเห็นลู่ทางมีแสสงงว่าผมทํางานอย่างเงี้เนี่ยมาประมาณได้หกเจ็ดเดือนผมก็มีความใฝ่ฝันสักแต่อไปผมอยากเปิดร้านทครื่องใช้ไาของเองไม่ไปเป็นเฮียใช่ผมจะไปเป็นเฮียได้ทํายังไงผมไปเป็นเฮียได้ก็ใช้วิธีว่า ขมงโชเนี่ยเอาบัตรเครดิตไปกู้บริษัทสินเชื่อเข้ามาเพื่อได้เห็นแอร์โชหน้าร้านอยู่ตรงแถว ง, งามวงวานนะฮะเก่าๆโมโซมแบบเก่าแบบเรียกว่าพรพอนธสงครามโลกได้ฮะเช่าเข่ามากใช่โชวปุ๊บเราก็ทําเรื่องยื่นไปทางบริษัทสินเชื่อครับก็โอเคผ่านครับผ่านหน้าร้านผ่านวันนั้นแหละคือวันที่ที่เปลี่ยนชีวิตผมได้เยอะเลยเปลี่ยนไปเลยช่วงนั้นเราก็ทำํำงานอยู่สองคน บริษัทย่อยขายสั่งของวันละสิเครื่องสิเครื่องเนี่ยมีทั้งบริษัทนี้สองคนครับรับโทรศัพท์ตั้งแต่แปดโมงเช้าจนหกโมงเย็นคุณอ้อกลับบ้านไปกลับบ้านผมก็ได้บทสายเข้ามาที่บ้านตีหนึ 1, ่งตีสองตีสามผมรับโทรศัพท์เงี้ยตลอดนอนก็สวัสดีครับลุงกิจนาศุคือมันมันชินกย่าันเงี้ยตื่นมาก็ทํางานนอนก็ทํางานช่วงนั้นยาวแค่ไหน ช่วงนั้นประมาณสามปีถึงสี่ปีสาปีกว่าตอนนั้นของเงินผ่อนซื้อขายกันอุตลุดเลยอุตลุดขายดีมากสมัยก่อนเมื่อเมื่อสิบสีปีก่อนตอนนั้นไม่มีพอเพียงไนงะอือใช่ครับตอนนั้นไม่มีก็กู้ขเข้าไปกู้เงินกู้เงินเข้าไปก็โอ้โหขายขึ้นแบบไม่ทายังไงเราอยากขายแอร์จังเลยอยากขายแอร์ใช่แล้วแอร์แอร์นี่มันเคลื่อนย้ายไม่ได้อ่าราคาสูงเอจะทําัไงอยากขายแอร์อยากมีแบรนด์แอร์ของตัวเองเพราะมาชิ้นสูงมากสมัยก่อนเนี่ยเดี๋ยวนี้สมัยนี้แอร์เครื่องหนึ่งบาด ตอนนั้นก่อนคนติดแอร์เครื่องสามหมืน่นสี่หมืน่นแอร์โ น, โนเน ม, มจะเยอะมากก็ไปเรียนไปล้มยุกครั้นจ้างช่างมาหนึ่งคนจ้างจ้างจากที่อื่นที่อื่นมีมีมีร้านอยู่แล้วก็รับมารับมาแล้วก็ไปดูไปดูการติดตั้งทํายังไงแล้วประกอบกับช่วงนั้นเนี่ยคุณแม่ ก, กลับมาอยู่กลับมาอยู่ที่ที่ที่ที่อยู่กับเราที่ผมช่วงที่เราไม่มีเงินที่สุดเนะี่ยแต่ผมว่าเป็นช่วงที่มีความสุขที่สุดนะคือคือช่วงนั้นเนี่ยตื่นเช้ามาพุ คือคุณไม่เคยเจอได้อยู่บรรยากาศแบบนี้มาก่อนพอตอนเรียนก็ไม่ไดีนานหรือนานมากแล้วแม่ใช่ไหมแล้วมันได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งใช่ใช่ได้แบบตื่นมาตอนเช้ามีทํากับข้าวให้กินมีถามว่าวันนี้เป็นยังไงใช่เช้าตืน่นทำข้าวปุ๊บทำข้าวเปงานกิ น, นเราก็เร้านเราเข้าร้านปุ๊บเนี่ยเราก็ ก็ตื่นมาได้วันละเท่ไหร่เราคิดอยู่ว่ า, าตื่นได้เงินตื่นมาแม่เราเข้ากินคนงานกินหม้อหนึ่งกินทั้งบ้านลูกน้องกินด้วยกันหมดเย็นกลับบ้านพร้อมกันฝึกท่าก็เก่าแล้วก็เรียนรู้ที่อยู่นั่นนะครับจนเราสึกว่าเอ๊ะต้องติดตั้งแอร์ต้องเรียนรู้แอร์ทำยังไงคือคนเราเนี่ยมันต้องสู้ใช่ไหมครับลองก็ไปเรียนรู้ประกอบแอร์ประกอบแอร์ช่านเนี่ยช่านก็ไม่บอก เราก็ไปกับมันตีสองตีสามรู้ปุ๊บอ๋อประกอบอย่างนี้ต้องเอาของดีชิ้นนั้นชิ น, นั้นถ้าอยากได้ลูกค้าใช้ของดีครับราคาได้ใช้ของดีเรียนรู้การประกอบแอร์ก็เองนำนำทุกอย่างติดหนึงตีสองตีสามแล้วก็รถจะไม่มีติดเราก็เอาเอารถรถเราซื้อรถมาคันหนึ่งรถเก๋งสองแสนกวาบาทซื้อมาก็เอารถขนแอร์ไปด้วยข้างหลังติดแอร์แล้วลูกค้าถามอา้าวทำไมรถเอารถ เ, เก๋งก็มาติดล่ะ มันต้องเป็รถกระบาดอ๋อรับต้องโทษทีรถเสียแต่ลูกค้าลูกค้า VIP อพีไม่ได้นัดเราเสียไม่ได้ก็ก็เอาไปติดไปติดอยู่วันเดือนกว่าก็มีเงินดาวดาวแล้วก็ดาวรถมาติดแอร์ช่วงนั้นผมขายแอร์เนี่ยตกลงคุณติดแอร์เป็นไรใช่ไหมเป็นเป็นถ้าเป็นกจายมาเป็นธุรกิจพันล้านได้ยังไงคือตอนนั้นเนี่ยเพื่อนผมนัดทานข้าวที่ร้านอาหารก็มีสามคน มีคุณหมอแล้วมีคุณพัฒเดี๋ยวได้อาวเที่ยวก่นคุณหนึ่งใช่ครับคนที่สองคุณหมอคุณหมอคุณหมอวุติศักดิ์ใช่แล้วคุณพัดน์คุณพัฒเป็นใครครับก็เป็นหุ้นส่วนคนหนึ่งครับสามคนนั่งนั่งทานข้าวแล้วก็คุยกันไปคือที่มาเจอกันนี่ไม่ได้ว่าจะมาคุยว่าจะตั้งรานไม่ไม่แกก็คุยกันพูดคุยกันผมก็บอกว่าผมอยากให้สองคนนี้คุณกันนะทําเถอะดูผมสิไม่เขา้างอะไรเชียร์เชียร์เขาไม่คุณกันแต่อย่ามายุ่งกับผมนะงานผมเยอะอยู่แล้วอย่ามางงผมออคไปืโรนแ ผมอยากมีโรงงานประกอบแหวนของตัวเองเสร็จผมก็ดิ้วกันไปดิ้วกันมาผมก็เดินเข้าห้องน้ำปุ๊บคุณพัชจะบอกเอาเอกหุ้นด้วยนี่คือที่มาที่มาของของวันนั้นจนวันนี้คือเอาเอกหุ้นด้วยครับตัวลงคุณมีกี่หุ้นเนี่ยสามหุ้นสามหุ้นคุณส่วนสามคนนี้เป็นวัยยี่สิบกว่าทหมดเลยตอนที่ผมเปิดเนี่ยผมอายุวันยี่สิบห้าแล้วก็คุณหมอจะอ่อนผสองปีแต่ท่าบอกว่านะคนเราเนี่ยอยากอยู่ที่อายุครับเพราะว่า ต้องดูที่ว่าการทํางานของเขาประสบการณ์การทำงานแบ่งหน้าที่ยังไงในสามคนใครเด่นด้านไหนคือผมจะดูการตลาดหอาดูตอนจะเป็นคนรักษาใช่การเงินทั้งหมดคุณนี่การตลาดการเงินการตลาดเงินการตลาดภาพรวมแล้วคุณพัชคุณพัชจะดูออกแบบแานที่คือคุณหมองใช่จะเป็นยังไงอะไรจะยังไงก็สาขาแรกเนี่ยเปิดมาเจ๋งไหมว่าแต่ด้วยความที่ผมมีไลน์ที้ใช้อินฟาอยู่แล้วครับนําไรก็เยอะอยู่แล้วคอนเซ็ป ทำให้ดีที่สุดไปเลยบางเตือนเนี่ยทางด้านหมอเนี่ย ค, คือหมอนี่หมอจ๋ามากคือไม่รู้ทุกอย่างเนี่ยต้องดีที่สุดคือเป็นคอนเซ็ปต์ของเขานะเป็นสรุมเขาเขาทําแบบนั้นมา ค, คือเอาดีที่สุดอย่างอย่างคนเนี้ยหุ้นส่วนที่สามคนใจเยน็นว่าไงก็ว่ากันแต่เป็นคนจริงเยน็นทางสองคนคนร้อนผมก็เร็วเร็วเรื่องแบบเขาตกลงรับสองหุ้นนั่งกินข้าวกันอืผลตอบรับดีนะจะเปิดสาขาสองสักปีหน้าดีกว่านะ ครับครบเดือนผมเปิดเลยแห่งที่สองไม่รอปีหน้าเจ้าเงินที่ไหนล่ะผมก็เข้าไปหาพื้นที่เองเดินตอกลไปหาเมื่อสิบปี่แล้วเนี่ยเราไปหาที่พื้นที่ตรงภาตา้าตังก็ไม่มีแมจําที่เป็นร้านอะ่ะแม่จาเป็นร้านเนราะจะให้ไหนอะ่ะแทนแม่จําเป็นร้านยังพอกู้เงินได้แต่ประเด็นคือเขาไม่ให้ผมก็ใช้กุสโซบายก็เอารถเบนซ์ที่มือสองมุมเสื้อขับเลยขับไปจอดหน้าร้านตอนขับทั้งดูไอเฮียอยู่ด้วยหรือเปล่า ถ้าเยียไม่อยู่เยวเเฮียไม่อยู่เดีเฮียไม่เห็นรถอ๋อถ้าทานความเชั่นทานความเชื่อมั่นก่อนเจดวันคุณที่ศัก์ขึ้นมาดินเด่นๆข้างนอกเมื่อสิบปีก่อนเป็นสาขาที่สองปัจจุบันมีกี่สาขาร้อยครับหนึ่งร้อยสาขาประมาณร้อยสาขาเป็นเจ้กี่คนสามพันคนรายได้นี่ประมาณเท่าไหร่ครับหลายพันล้านครับรายได้ไม่เท่าไหร่หรอกครับไอรายจ่ายอะก็เยอะด้วยก็แน่นอนรายจ่ายเยอะรายจ่ายเยอะแต่ก็อย่างที่บอกสําเร็จสูงสุดหรือยังครับ ยังยังยังเพราะว่าผมยังไม่หุดมีข่าวว่าคุณจะเปลี่ยนอีกแล้วเหรอฮะผมไม่ได้เปลี่ยนหรอกครับแต่ถามว่ามันแค่ช่วงเวลาเหนื่อยแค่เองคือองตอนนี้เหนื่อยขึ้นมาว่าคุณจะไม่ไม่เป็นอยู่ในฐานะผู้นิยมส่วนแล้วคือตําแหน่งผมตอนนี้คือเป็นประธานเจ้าที่บริหารใช่ไหมฮะแต่ผมก็ก็คุยคุยอยู่ถ้าเกิดมีคนมาขอซื้อผมนีจะขายไ้มหลายคนใช่ทั้งหมดใช่เหรอใช่ซื้อบางส่วนได้ไมอ่ะ หรือว่าซื้อหมดซื้อหุ้นหนึ่งเนี้ยคือคือคือไม่คือไม่ได้ขายเพราะว่าคือขายบ้างเพราะอยากพักต่อไปเลยจะทำอะไรผมเนี่ยคืออยากทํารีสอร์ทส่วนตัวแต่รู้นะว่าขาดทุนถ้าอยากบริการอ่ะคืออยากใช้ชีวิตอยู่ในที่ที่จริงะที่คนเข้ามาบ้านผมเนี่ยเหมือนมาเยี่ยมมาเยี่ยมผมรู้สึกว่าทำให้ผมมีความสุขอ่ะมีอะไรจะบอกคนที่กําลังรู้สึกว่าล้มลุกคุกคานแลอเกินคือจริงๆริงอะเรามัีแง่คิดหลายอย่าง คือหนึ่งที่ผมใช้ประจําเนี่ยคาว่าไม่ไม่ได้ทําไม่ได้คิดคือทําอะไรก็ได้คุณคิดคุณคิดก่อนแล้วคุณอย่าเบรกความฝันตัวเองออย่าเบรกความฝันเว่าเออขอให้แต่ดร้าลูกชิ้นแล้วถ้าวันนั้นลูกชิ้นมันทําได้ล่ะ <S <S ผมอาจจะมีสามรอยสีสาขาหรืออาจจะมีเท่าเซเว่นเราก็ได้อืสมมุตินะคุณอยากอย่าอายที่คุณจะฝันนะ่ะแล้วคุณทํำน่ะคุณทําให้จริงคนบางคนคิดว่าฉันทําจริงแล้วยีงงย่สิบโมงกันจะเนอนก่อน อย่าตื่นมาเช้าทำงานไม่ใช่อย่าดูถูกพลังของตัวเองใช่และก็อย่าทําไม่จริงใช่ต้องทำอะไรต้องทาจริงใช่ว่าทาจริงแล้วเราต้องรู้จริงในทุกๆเรื่องและต้องหาช่องว่างของธุรกิจนั้นให้ได้อย่าทําตามคนอื่นต้องหาจุดอื่นที่ชีกออกไปเพราะคุณจะสู้แบรนด์ใหญ่ไม่ได้อสักวันจะไปเยี่ยมที่รีสอร์ทครับนะครับผมเชื่อว่าทําได้แน่เพราะเวลาก็ตั้งใจเขามาจะทําได้ครับกงไม่นานนะฮะ